ท่านสาธุชนพุทถบริษัทต่งางๆเสรับเสียงที่บรรดาท่านพุทธบริษัทได้ฟังอยู่นี้เป็นเสียงต้นเทปของหนังสืออ่นเร่นเล่มที่ 4. สี่เสม็ดในตอนนี้ที่ใช้ต้องใช้เสียงเป็นต้นฉบับก็เราเขียนไม่ไหวเขียนไปเขียนมาเพียงหน้าแค่หน้าหน้าซึ่งกระดาษ ก็ปรากฏว่าตาไม่เห็นเส้นหมึกต้องเลิกเขียนให้ใช้การบันทึกเสียงแทนการบันทึกเสียงก็เหมือนการบรรดาท่านพระบริษัทเวลานี่ร่างกายก็ยังป่วยเสียงไม่มีการทรงตัวเสียงแห้งเสียงแหบแต่ก็เพื่อประโยชน์ในการเขียนก็ใช้ได้วันนี้ก็จะขอพูดเรื่อง การแจกของคนน้ำท่วมแต่ความจริงเรื่องน้ำท่วมปีนี้วัดท่าสงก็ท่วมท่วมสองละลอกติดกันน้ำเก่ามาไปไม่ทันหมดน้ำใหม่ก็มาต่ออีกงานก่อสร้างต้องหยุดชะงักไปสี่เดือนก็เป็นนั้นว่าคนน้ำท่วมจะไปแจกของคนน้ำท่วมก็ไปไม่ไหว เพามรายการอีสองคนพูดเองก็ป่วยไข้ไม่สบายอย่างหนักก็เป็นว่าจะไปแจกคนอื่นไม่ได้ก <life> ็ต้องแจกกันในบ้านนั่นคือว่าเด็กของลูกชาวน้ำท่วมมาเรียนหนังสืออยู่ที่วัดท่าสโซโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระประมาณเกือบสามร้อยคนจริงๆแล้วก็ถึงสามร้อยคน แต่ว่าเธอลาออกไปเสบ้างให้ออกไปบ้างเพราะความประพฤติบกพล่องที่ดีก็เหลืออยู่ประมาณ280ิคนเศษทั้งหมดนี้ทางวัดรับเลี้ยงเลี้ยงอาหารให้เสื้อผ้าให้ยารักษาโรคให้อุปกรณ์การรักษาสียค่าเราเียนเสร็จจ้างครูสอนให้ด้วย เมื่อน้ําท่วมมาแล้วพระคุณท่านย่ามีคําสั่งว่าสามเทอมนี้ไม่เก็บทุกอย่างชค่นักเรียนให้เรียนทุกเลี้ยงทุกอย่างหมดแม้แต่ค่าอาหารที่เคยผ่อนคลายมาบ้างคือปกตินักเรียนหอพักให้ผู้ปกครองจ่ายค่าอาหารมาบ้างแต่ก็ไม่พอส่วนนั้นก็ยกไปวัดจ่ายหมด เป็นอนว่านักเรียนทั้งหมดที่มีอยู่วัดต้องสงเคราะห์เทอมละล้านเศษแต่เงินทองที่ได้มาทั้งหมดก็ใสยบรรดาลูกหลานและบรรดาสมุทรบริษัทช่วยกันเมื่อวันที่ส8บธันวาคม2 5ง1สาเก็แจกเสื้อแจกผ้าแจกผ้าหม่ม ผู้อำนวยฯแจกเป็นสองนัดลอกคือ ล, ลอกที่หนึ่งแกจกกันักเรียนสองสามร้อยผืนและลอกที่สองแจกกับผู้ปกครองของนักเรียนสามร้อยผืนรวมเป็นผู้อำนวยฯหกร้อยผืนเครื่องแต่งตัวที่บรรดาท่านพุทธบริษัทสงเคราะห์มาแจกไปคราวนี้โดยประมาณสองพันชุดเศษคือว่าให้กับนักเรียนด้วยให้ไปส่งให้กับผู้ปกรครองด้วย ก็รวมความว่าของที่ท่านนันไลให้มาได้จัดจ่ายไปแล้วสำหรับพ่อผมนั้นเมื่อไปซอยใช้ลมต้นเดือนธันวาคมพุทธสม์เธอ ถ, อถอวายมาร้อยผืนเมื่อพิจรนารณาแล้วเห็นว่าไม่พอจึงสั่งให้เดืนฉายคองมันแลอเดินฉายบญนาคคนเดียวกัน จัดซื้ออีกสองร้อยผืนคิดว่าจะออกตังเองก็พอดีเดือนฉายกับพวกใครบ้างก็ไม่ทราบช่วยกันออกครบสองอีกสองร้อยผืนเมื่อพิจ า, ารณาเลยว่าเด็กที่แรกคิดจะมาแจกบรรดาผู้ปกครองก็ปรากฏว่าบรรดาเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีผ้าจะห่มเพราะว่าทุนเดิมก็งเธอน้อยอยู่แล้ว ก็เลยแจกนักเรียนแล้วเกือบสามร้อยเหรนขาดนิดหน่อยแล้วก็สั่งใจให้แก่บิดามันดาอีกสองสามร้อยเหนเป็นหกร้อยเหรนด้วยกันสําหรับการแจกเสื้อแจกผ้าแจกผ้าหม่มให้แก่นักเรียนบรรดานักเรียนด้วยแล้วก็บิดามัรดาของเธอด้วยผู้ปกครองด้วย บรรดาท่านนัหลายอาจจะคิดว่าเมียในสงเป็นไปการใดทัด้งนี้ก็คอยดูเรื่องราวของอังคุละเทพบุตรในสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าทรงพระชนอยู่ในขณะนั้นที่องค์สมเด็จพระบรมครูขึ้นไปนแสดงพะธรรมัทีสนาโปรดพระพุทธมารดา เมื่อไปถึงดาวดึงข้างแรกแรกไปถึงก็ปรากฏว่ามีเทวดาสององค์คืออินทกะเทพบระมกับอัุละเทพประมุขทั้งสองท่านมาก่อนเทวดาอื่นตอนนี้พระอินทรัท่านรอก่อนนะเมื่อพระอินทร์ท่ับอยู่ก่อนทั้งสององค์นี้อยู่ใกล้ไม่เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาทัตวะเจ้าขึ้นไปเมื่อมาก่อนเทวดาอื่น ท, transition. Transition. ท่านเองอังกุละเทพบุตรนั่งข้างพระบาทข้างซ้ายอินเดกะเทพบุตรนั่งข้างพระบาทข้างขวาต่อมาเมื่อเทวดาองค์อื่นมาอังกุละเทพบุตรก็ถอยอินเดกะนั่งที่เดิมเมื่อเทวดามาหมดนาวดึงปรากฏว่าอังกุละเทพบุตรอยู่ท้ายสุดเป็นเทวดาหางแถวอินเดกะเทพบุตรเป็นเทวดาหัวแถวตามเดิม พระพุทธเจ้าหวังจะประกาศผลขั้งการบำเพ็ญศน์ น, นอกพระพุทธศาสนากับในพระพุทธศาสนาให้บรรดาประชาชนทราบจึงทรงบรรดาลเสียงพระองค์ด้วยเสียงที่รรดาด้วยที่สนทนากันให้ดังถึงเมืองมนุษย์ให้คนที่อยู่ที่เมืองพาราณสีทั้งหมดคอยพระองค์อยู่หลายโกดได้ยินได้ฟังทั้งหมด สมเด็จพระบรมสุคติยังจะมีพระบุติดีกาตัดว่าอังคุละเมื่อตถาคตมาถึงตอนแรกเธอนั่งข้ามพระบายข้าซ้ายของตถาคตขันเทวดาเทือุองค์อื่นมาหมดตัวะดึงเธอเป็นเทวดาท้ายแถวนั่งไกลที่สุดอยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้ อังกุละเทพบระุตย์จึง ก, กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าสันต์ีพภะกวาข้าแต่องสมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้าพู้จเจริญพระพุทธเจ้าค่ะในสมัยที่เป็นมนุษย์ข้าพระุทธเจ้าเป็นมหาเศรษฐีเวลานั้นคนมียกแปดหมื่นปีอีกสอง0มืนปีท้ายจะใกล้จะตายให้ตั้งลงทานแปดสิบแผง หนึ่งโยช์ตั้งหนึ่งแห่งหนึ่งโยต์ตั้งหนึ่งแห่งให้ทานคนยากจนคนกระพราคนเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนสิ้นเวลาสองหมืนปีแต่สายวาเวลานั้นไม่มีพระพุทธศาสนาคนทั้งหมดไม่มีศีลไม่มีธรรมจึงเป็นจึงได้อานิสงส์้อยเกิดมา ตายจากความเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ท่านดาวดึงเป็นเทวดาที่มีบนน้อยที่สุดแต่ว่าก็มีวิมานทองคำเกลี้ยงมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารนีน่ต่บรรดาท่านบูรับฟังแม้แต่การบำเพ็ญกุศลแจกเกิดคนที่ไร้สินไร้ธรรม ยังเป็นเทว ด, ดาบนสวรรค์ฉันดาวดึงได้มีวิวานทองคำเกลี้ยงมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารแต่ได้ ว, ว่าสำหรับเด็กที่ท่านแจกเด็กนีเรียนสุธรรมพสุธรรมยานวิทยาวัฒนสูเด็กทั้งหมดที่จะเข้าโรงเรียนจะต้องสอบการฝึกกรรมาฐานให้ได้ก่อนถ้าได้กำลังมโนยิทธิได้พอสมควร จึงจะเข้าได้แล้วก็ต้องมีการซักซ้อมกันทุกครึ่งเดือนเครื่องเดือนจะมีการซ้อมกับซ้อมกรรมฐานครั้งหนึ่งและกฎระเบียบของโรงเรียนนี้อันดับแรกนักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติอยู่ในสังฆวัตุศีได้คือหนึ่งรู้จักการสงเคราะห์สองพูดดีสามช่วยเหลือการงานสีไม่ทิ้ตัว <c oughs> แล้วก็ต้องพยายามทรงในพรมิาญสีคือเมตตาความรักกุณาความสงสารมุตุตาไม่อิจฉาที่เสียายใครเห็นใครได้ดีพลอยินดีด้วยอุ้มเบกขาวางเฉยเมื่อเข้ากรรมเข้ามาถึงแล้วก็ต้องมีกคำบทสิบปฏิบัติคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดธิในกรรมและไม่เดือมสุรามีไรทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคําหยาบ ไม่ายุเขาแตกกันไม่พูดเพเ้อเจือเหลวไหลทางใจไม่อยากได้ทรัพย์สินของใครโดยไม่ชอบทำไม่พยาัาิจองล้างจองถ่านไข ร, รมีความเห็นตรงตามคำสอนองค์ต็นประสัมมาทัพุทธเจ้า <c oughs> <c oughs> นี่เป็นนัคุณตนนธรรมของนักเรียนพุทธมายาณวิทยาวัดท่าสูง ประเมิความว่าเด็กทั้งหมดมีศีลมีธรรมมีสมาธิพอสมควรกันพลั้งพลาดไปบ้างเป็นของท่านบรรดาของปุถุชนฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลของบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าบิ ด, ดามันดาของเธอจะบกพร่องบ้างแต่ว่าเด็กก็ตั้งอยู่ในเกณฑ์มีความประพฤติดีมีศีลมีธรรมพอสมควรฉะนั้นอานิสงส์ที่เพิงได้รับจากการแจกเด็ก ก็เห็นว่าเป็นอย่างน้อยที่สุดท่านต้องได้สวรรค์เช่นดาวดึงแน่นอนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและลูกหลานทุกคนที่บำเพ็ญกุศลมาสรงเคราะห์มาก็เป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่แล้วมีศีลเป็นปกติมีสมาธิเป็นปกติมีการให้ทานเป็นปกติเจริญภาวนาเป็นปกติตนเองมีนิสงใหญ่อยู่แล้ว ให้ามาเสริมด้วยการให้ทานอย่างนี้ผลยิ่งความดีก็ยิ่งยิ่งเห็นไปก็ลงความว่าการให้ทานกับเด็กที่ทรงศีลสรงธรรมทรงสมาธิตามสมควรย่อมมีนิสงส์สูงกว่าผลของอังกุละเทพบุตรตอนนี้มาพูดถึงอังกุละเทพบุตรก็ขอพูดถึงอินทกาเทพบุตร ด, ด้วยเป็นเทวดาที่สมัยพระพุทธเจ้าพบ ท่านอินากาทกะเทพบุตรนั้นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่เข้าไปถึงใหม่ๆเธอนั่งข้างขวามือใกล้พระบายของพระพุทธเจ้าในเมื่อเทวดามาทั้งหมดดาวดึงท่านอินากาทกะเทพบุตรก็ไม่ถอยให้ใครก็ถือว่าเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์สิทใหญ่ในดาวดึง ถายกพระอินทร์เสร็จแล้วไม่มีใครใหญ่กว่าไม่มีใครมีบุญมากกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าใคล้ายจตระการอานิสงส์การทําบุญในพุทธศาสนาให้ทราบจึงถามอินทกระที่มาบุตรว่าอินทกระเมื่อจะทาคตมาใหม่ๆเธอก็นั่งตรงนี้แต่ว่าเมื่อตะทาคต ตั้งอยู่นานเข้าเทวดามาหมดแต่ว่าเดีง๋งเธอก็นั่งตรง น, นี้เธอเป็นเทวดาที่มีมเห์ศักขาคือมีเิตมากมีบุญมากกว่าเทวดาองค์อื่นนอกจากพระอินแล้วไม่มีใครยิ่งไปกว่าเธออยากจะถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีนุภาพมากอย่างนี้ ยินได้กะ่าวได้กล่าวทูลองค์สมเด็จพระจินสีว่าพันตีพระกราวาแค่ตอ่อค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ า, าผู้เจริญพระพุทธเดียวกันในสมัยที่ข้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เป็ น, น, ปนลูกคนจนต่อมามีดาตายก็ต้องเลี้ยงแม่คำว่าเลี้ยงแม่ในบรรดาแทนพุทธบริษัทเป็นการสะทัญูุูรคน สนองความดีของแม่ที่ทะเลี้ยงมาอันนี้เมียใ น, นสงส์สำคัญมากสงสมาก <c oughs> ต่อมาพระสงฆ์ในสำนักเขาองทุนตัดพระผูมิมีพระภาคเจ้าเดินเฉียดบ้ายเข้าไปก่อนเพลิได้ในมน์พระสงฆ์ทั้งหมดประมาณสี่รูปเสร็จรพัฒน์ไหวพัฒนาหันเป็นสังฆทานในชีวิตของท่านท่านบอกว่าท่านจนมากโอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลไม่มี มีโอกาสคราวเดียวกันมาเป็นสังฆทานคราวนี้คราวเดียวและก็เลี้ยงแม่ให้มีความสุขตามฐานะเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเกิดตายจากความเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นเทวดาวบนสวรรค์ท่านดาวดึงสทิวโลกมีวิมานแก้วจิตใต่การเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งแสนเป็นบริวาร <c oughs> แล้วก็มีวิมานสวยสดงามมีความสุขมากนี่ระบรรดาแา่พุทธบริษัทการบรํบเรนนาเพ็ญกุศลในศาสนาขององค์สน็จพระพูทมีพระภาคย่อมมีอานิสงส์สูงกว่าการบรําเพ็ญกุศลแก่คนนอกศาสนามากอย่างอัคละระเทพบุตรตัวนี้กการที่กล่าวมาอย่างนี้กับเพราะว่าในการต่อไป <c oughs> ก็จะได้พูดถึงบุคคลที่บําเพ็ญกุศลในพุทธศาสนา ที่กล่าววันนี้สนแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเทวดามีจริงนางฟ้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงพม่าโลกมีจริงนิพพานมีจริงตายแล้วเป็นสภาพไป่สนจริงอันนี้เป็นหนังสืออันเล่น <c oughs> ต่อไปก็ขอวัดเรื่องเทวดาประจำสดวดิงชั่วคราว ก็ เ, เป็นเทวดาจร น, นั่นคือเทวดาที่ไปเกิดใหม่เพราะว่าอาตมาเองก็มีท่านพอมีคณมีพระที่มีคุณอยู่ท่านหนึ่งการจริงพระที่มีคุณกับอาตมาก็ดีกับวัดท่าสงก็ดีจนมีมากว่าการมาอยู่วัดท่าสงใหม่ๆอยู่ที่แรกก็ดียังไม่มีคนทาบุญทำกุศลมากไม่เป็นไร พ อ, อมีคนทำบุญอย่างอุศนมากเข้าผลประโยชน์มากเข้าเกิดกับพุทธศาสนาถ้าจะมาก็เป็นคนไม่ดี <c oughs> ไม่รู้จักตามใจคนในทางที่ผิดตอนนี้มีบุคคลคณะหนึ่งเป็นเจ้าของทินเขาอยากจะได้ทรัพย์สินประเภทนั้นมาเป็นสมบัติของตนหพวตัวอย่างค่าว่าท่าสมก็มีอยู่ว่าวัดโสมเพราะการขายวัดจิน พระพุทธรูปมากเพราะการขายพุทธรูปกินถ้า ต, ต่อมาวัดโซมมีการเลี่ยไรยทุกปีจะไม่ทําแบ่งกันใช้แบ่งกันกินคนประเภทนี้จะเป็นใครบ้างอาตมาก็ไม่ทราบไม่รู้จักหน้าจะในเพียงว่าก่อนที่จะมาทราบข่าวการเลี่ยไรยแต่มาเข้าจริงๆแปลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างโซมเป็นปกติไม่มีการทําอะไรขึ้น ต่อมาคนประเภทนี้ก็เกิดขัดใจหาทางไก่แกล้งทุกอย่างเพื่ออาตมาไปจากวัดนี้อาตมาสร้างแล้วหลายชิ้นหลายอย่างลงทุนไปล้านบาทเศกเพื่อพระพุทธศาสนาก็เป็นเงินกรรมดาแต่บริษัททุนหน้าให้มาก่อคิดว่าเราทำเพื่อพระพุทธศาสนาวัดนี้เป็นวัดของพระพุทธศาสนาไม่ใช่วัดของโจร แต่เมื่อโจรมาใช้อำ น, นาจอย่างนี้เราก็ยอมไม่ได้มีความจำเป็นต้องอยู่ความจริงไม่อยากอยู่เขาก็หาทางแกล้งแกล้งต่างๆร้องร้องบ้างหาทางโจดจัน์บ้างเปิดขยัยเสียงด่าบ้างข ย, ยายเสียงก็เปิดทิศลาคารบริญเก่าพวกเขามากก็มีพระกลุ่มหนึ่งคณะหนึ่งมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วัดสามพยาเป็นประธาน จะมีพระเยกราชรัตนโมรีพระแก้าเจ่มฟ้าเจรุ่ราชนโกวีวะนงคารามเป็นเจ้าคุนเทพเวลานี้แล้วก็เจ้าคุณสุทธาธิบดีสวัยวัดไตรมิตรและสมเด็จพุทธาจารย์วัดถุทัศน์แล้วก็มีเจ้าณฑรเจ้าณวรการภาคเจ้าคุนเท่ธรรมเจดีย์เวลปัจจุบัน แล้วก็เจ้าคุณราชวัดเออลืมวัดจะแล้วนะเจ้าคุณราชลองจะนัาตัวการไพ่องหนึ่งนี่ลืมชื่อทานนักไม่ อ, ออกกำลังป่วย <c oughs> ทั้งหมดนี้รู้สึกว่ามีคนหนักท่านช่วยเตรียมกำลังนอกจากนั้นก็ช่วยเหมือนกันแต่ไม่ประจันหน้านนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเจ้าคุณ วัดไตรมิตรคือว่าเจ้าคุณนึกชื่อไม่ออกจริแล้วเจ้าคุณสวัยวัดไตรมิตรนันนะที่มรณภาพาวันที่ทิพสองธันวาคมกับสมเด็จพุทธาจารย์มุสุทัศน์เป็นตัวตั้งตัวตีเจนจากับพระในจังหวัดอุทัยธานีเจ้าเรียกว่าเป็นนักชนตรงในอันดับแรก ต่อมาก็จะคุณราชธานกาวีว่าหนองคารามเจ้าคุณเทพปัจจุบันและก็คุณราชธานโมลีไป้ว้แก้วแจ่มฟ้าก็เข้ามาเป็นทัวไทยขระองค์สม เ, เด็จพระสมเด็จพระตโธกศอาจารย์วัดวัดวัดสามพยา <c oughs> ในที่สุดงานทุกอย่างก็เป็นไปเรียบร้อยปกติทุกอย่างเรียบ แล้วก็อนนาพัย์ก็เรียบที่สุดนี่ปรากฏว่าเมื่อวันที่12ธันวาคม2531อาตมากำลังป่วยมากราาทราบข่าวทางโทรศัพท์ว่ายาคุณวัดใจมิตรพูดไปก็นึกชื่อไม่ออกสุธาธิปดีท่านมรณภาพก็คิดว่าพระองค์นี้มีคุณมาก วัดถ้าสงจะตั้งขึ้นมาได้ถ้าจะเญินุ่งเรืองเวลานี้ก็มีท่านส่วนหนึ่งที่มีกำลังสำคัญมากช่วยเหลื อ, อยุ่เรื่องหลังซึ่งว่าเป็นลูกมือของสมเด็จพระสัมพยาก็คิดในใจว่าอยากจะไปรดน้ำศกแต่ก็นอนลุกไม่ขึ้นจะไปจัดงานศดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังไปไม่ไหว ถึงวันที่สิแปดธันวาคมแล้วยังลุกจากเื่อนจากที่นอนไม่ไหวก็วันที่สิบแปดนเอาการคลายนิดหนึ่งเวลาสี่โมงเช้าก็นำนอนภาวนาอยู่ก็คิดถึงท่านว่าท่านมีคุณของผู้มีคุณของเราเวลานี้ท่านตายแล้วท่านไปอยู่ที่ไหน อันดับแรกเ้าก็ต้องไปดูที่สำนักพยาโยมก่อนเพราะยังไม่กี่วันนักอย่างน้อยที่สุดถ้าบังเอิญผ่านสำนักนั้นก็ยังไม่มีการสอบสวนเพราะว่าสำนักพยายมนี้ก็ไม่ได้ไปนานท่านป่วยสิบปนกว่าไม่ได้ไปพอไปถึงท่านลุงผู้ใหญ่ในบัญชีท่านก็ถามว่าคุณมาหามาถามถึงเจ้าคุณสวัยใช่ไหม ท่านไม่เรียกราดจิตินานามท่านเรียกชื่อเดิมก็บอกว่าใช่ถ้าบ่าคนชื่อสวัยที่เป็นพระเวลานี้ไม่มีบัญชีในเมืองนรกก็ฟังเท่านั้นดีใจมากคนลุกสู้ชื่นบานกั น, นึ ก, กว่าเป็คนคณใหญ่เองท่านที่มีคนของเราเวลานี้ท่านไม่ต้องตกนรก ไม่ต้องทรมาณน้วยความดีของท่านจะมีเป็นประการใดบ้างกับคนอื่นอาตมาไม่ทราบความไม่ดีของท่านจะมีที่ไหนบ้างอาตมาไม่ทราบทราบแต่ความดีที่ท่านลงทุนลงแรงทุ่มเทมากช่วยอาตมาให้ทรงตัวอยู่ได้แล้วก็ช่วยวัดท่าสูงให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ไม่ได้คณะท่านทั้งหลายเหล่านี้วัดท่าสูงไม่ปรากฏภาพสิ่งที่ปรากฏไปแล้วก็ปรากฏจะต้องถูกขาย พราพวกนั้นเขามีอาชีพขายเขามุ่งเลยอย่างนัง้นจะขายเท่านั้นอย่างนี้อะ่าขายเท่านี้แต่คนพวกนี้ตายไปหมดแล้วไม่เหลืออยู่เวลานี้มเหมน้าตายไปแล้วเมื่อทราบว่าท่านไม่มีชื่อในบัญชีก็ดีใจก็ถามท่านนายบัญชีใหญ่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านนายบัญชีใหญ่ก็บอกว่าผมบอกก็ได้จะไม่ใช่หน้าที่ของผม ท่านต้องไปถามปัญญสิกขาเทพบุตรเป็นเลขานิการบรสวรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกก็ลาท่านไปไปหาท่านปัญญสิกขาเทพบุตรถามว่าท่านพระองค์หนึ่งที่ชื่อวสวุไวอยู่วัดไกรมิตรเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนท่านปัญญสิกขาแทาไม่เปิดบัญชีแต่ก็ยิ้มจะบอกนี่ยังไงนั่งอยู่ข้างๆคุณนี่ยังไงล่ะ คนนุ่งผ้าเขียวเป็นมรรยับแผ่วๆแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวแผ่วๆเป็นยับหน้าตาสวยสดงามผ่องใสามากคนนี้น่ะคือสวัยวัดใหญ่มิตรก็ฉันไปถามท่านท่านยิ้มแล้วต่างคนต่างยกมือไหว้กันที่เวลานี้ท่านมา่ยช่พระซะแล้วเป็นเทวดาไปแล้วถามท่านว่าท่านมาอยู่ชั้นดาวดึงหรือท่านตอบว่าใช่ แต่ว่าขอบใจนะที่ช่วยผมอยู่มากถามว่าช่วยอะไรท่านแต ก, การที่นีมนปฏิวัติเนะ่ยผมไม่ได้หมายความว่าถวายเงินถวายผ้าไตรได้ช่วยกําลังใจผมให้มีความชื่นปลานในบื้องคุณสนของท่านกําลังใจของผมก็มีปีติที่พระที่ผมช่วยไว้เป็นผู้ชนะความชัว่วและชนะความ พุทโสมมีใจความร่งโรดทำให้วัดฟารามร่งโรดขึ้นทำให้พระพุทธศาสนาเด่งขึ้นก็ถามได้ว่าท่านตายในขณะที่ไปดูงานถ้ามีกำลังใจเป็นกุศลส่วนไหนจะมาสวรรค์ชั้ยนดาวดึงได้ท่าก็ตอบว่าจงอย่าลืมว่าผมไปในงานของอระสาสนาเขาจะตรวจสอบวิชาความรู้ของนักธรรม ผมไปนั้นจิตผมเป็นธรรจริงๆไม่มีกังอื่นไม่มีควมัควลอื่นช่วยไม่ใช่จะไปคิดอยากได้เงินอยากได้ทองมันอยากได้ที่ไหนไมันก็ไม่ได้เพราะงานนั้นไม่มีค่าแปรี้ยงไม่มีเงินไม่มีทองมีอย่างเดียวคือจ่ายผมไปค่าผานะผมก็จ่ายจากทุนของผมเองผมไปเพื่อระศาสนาจริง ๆ, ๆกําลังใจของผมไปเพื่อบุญเพื่อก่วนเพื่ อ, อความเป็นธรรมเวลาที่ป่วยลงมาปั๊บ รู้สึกว่าพอการกรุ้งลงหน้ามืดพร้อมหน้ามืดไม่เห็นสิ่งภายนอกก็ปรากฏสิ่งที่ภายในปล่อยป ร, ปรากฏขึ้นหนึ่งนั่นคือพระพุทธรูปในพระมโมสดพระทองคําภาพท่านปรากฏชัดสฉินแสงสว่างมากยิ่งดูยิ่งชัดยิ่งดูยิ่งชัดน่าเข้าใกล้ถึงวาระจริงๆเห็นท่านยิ้มพอท่านยิ้มรมก็หมดความรู้สึกอีกที ตอนนี้ปรากฏว่ามีร่างกายอยู่สวรรค์ช่านดาวเดืองสเิวโลกมีวิมานแก้วสามรายการเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าพันคนเป็นบริวาเรเลยบอกว่าท่านเจ้าคุณได้เปรียบนะเป็นพระไม่มีเมียแต่เป็นเทวดามีเมียทั้งห้าพันคนอรบันดาท่านพุทธศาสนินกชนเวลาเหลือยี่สินาทีจะหมดเวลาก็ขอลาก่อน ข อ, อความสุขสวัสดิ์ิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดียบันดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านจดดี